พุทธสอนให้พึ่งตนเองแต่ทำไมให้ยึดพระรัตนตรัถามศา ส, สนาพุทธสอนให้ทำตนเป็นที่พึ่งของตนเองแต่ก็ให้ยึดพระรัตนตรัเป็นสารณะมีขัดแย้งกันเองหรอกหรอครับตอบไม่ขัดแย้งหรอกครับ หากคุณตั้งข้อสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระรัตนตรัยนั้นประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกนั้นเป็นบุคคลแต่พระธรรมซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นเป็นนามธรรมคือเป็นได้ทั้งความรู้และเป็นได้ทั้งวิธีใช้ชีวิตทั้งหมดวิธีการใช้ชีวิตตามอุดมคติของพุทธเรา คือพึ่งพาตนเองในการเอาดีให้ได้เมื่อคุณมีแรงบันดาลใจหรือเกิดกําลังใจที่จะขวนควายศึกษาหาความจริงตลอดจนใช้ชีวิตให้เอาดีได้ถึงที่สุดตรงนั้นแหละคุณเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วตามหลักศาสนาพุทธคุณจะเป็นตัวของตัวเองพึ่งตนเองใช้ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องท่องแท้ ก็ต่อเมื่อเอาธรรมะเป็นหลักเป็นที่ตั้งพูดให้ง่ายที่สุดคุณยึดพระธรรมเป็นสรณะอย่างเดียวก็เท่ากับได้ตัวเองเป็นที่พึ่งมีที่พึ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่พระธรรมนั้นใครเป็นผู้แสดงก็ต้องมองย้อนกลับไปที่คนก่อตั้งพุทธศาสนานั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราระลึกถึงท่านว่าเป็นบุคคลซึ่งให้ที่พึ่ง เราพึ่งท่านได้ท่านมีตัวตนไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีตัวตนนะนอกจากนั้นหากไม่ถือเอาพระสงฆ์ดีๆไว้เป็นแบบอย่างคนเราก็ต้องเกิดความคลางแคลงใจเป็นธรรมดาว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลแน่หรือบุคคลที่พ้นทุกข์อย่างอริยะเจ้าอรหันมีจริงหรอ ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องยึดเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเครื่องระลึกด้วยให้เชื่อว่าคนเป็นเป็นที่เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าได้ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแล้วทำทุกข์ให้สิ้นสุดไม่ได้แล้วสรุปคือพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งของความเชื่อมั่นแต่เนื้อหาของพุทธศาสนา ที่ต้องทำความเข้าใจกันจริงๆคือให้พึ่งพาตนเองในการเอาดีหาใช้ส่งเสริมการเกาะแข่งเกาะขาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่อย่างใดไม่